ไม่ใช่ความสุขที่เรานี่เอาหวงกับเข้ามาที่ตัวเราอันนี้เป็นไปตามธรรมนะแล้วพยิ่งคุณปฏิบัติอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็ยิ่งอย่างที่อาตมาบอกเขาเนี่ยเพียงแต่ว่าจะช่วยแบบวิธีการโลกโลกไมแบบไปทางการเมืองไปทางอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็จะไปช่วยคนไงเพราะจริงๆการเมืองมันก็บอกอยู่แล้วนะเพื่อคนจำนวนมากเหมือนกันเพื่อช่วยคน แต่ถ้าหลังเนี่ยตัดสินใจว่าเอ๊ะมาทางพ่อท่านดีกว่าที่ตัดสินใจอย่างนี้เพราะว่าคนที่จะมาทางเนี่ยพิจารณาแล้วว่ามาน้อยอย่างคนที่จะมาทางธรรมเนี่ยน้อยแต่คนที่จะไปทางการเมืองมันเยอะกว่าอันนั้นอนะ่ะคนจะเยอะกว่ารู้ไหมทั้งคนที่จะไปทางโน้นกับคนที่มาทางธรรมคนที่มาทางธรรมเนี่ยยิ่งมาปฏิบัติธรรมแบบของ ชาวโศดปฏิบัติมันยากกว่าด้วยเพราะนั่นอันนี้เรารู้ชัดว่ามันยากกว่าเพราะทังคนที่ยิ่งยิ่งจะมาเข้าหมู่เข้ากลุ่มชาวโศกนะถึงขั้นมาอยู่วัดถึงขั้นมาช่วยเหลืออหมู่กลุ่มเนี่ยน้อยเพราะขนาดเราเองบางทีเรายังต้องคิดหน้าดูเลยนะว่าเอะจะมาดีไม่มาดีจะมาดีไม่มาดีอืมแต่ถ้าหลังก็ตัดสินใจนะแล้วก็มาเลย แต่ทิงใจออกจากบ้านมาก็ย้ายสั ม, มโนโครัวเลยไอยทะเบียนเน่ยย้ายทะเบียนออกเลยนะออกจากบ้านก็เอาทะเบียนออกเลยพูดให้หลายคนฟังไปแล้วว่าอาตัดทางถอยไว้ออกก็ออกเลยนะแล้วก็ย้ายทะเบียนเข้ามาอยู่ที่สันติโศกเลยตั้งแต่วันที่ออกจากบ้านเนี่ยเลยย้ายมาเลย จนกระทั่งมาอยู่ไปอยู่ไปจําได้ว่าจริงๆรัร ะ, ะเบียนที่สันติอโศกเนี่ยอัตมาจะอันดับเจ็ดนะที่จริงละอัตมาเนี่ยอยู่ในอันดับเจ็ดชื่อทะเบียนของที่สันติอโศกแต่ตอนหลังนี่อันดับเท่าไหร่แล้วไม่รู้เพราะเอาย้ายไปโนบางย้ายไปนี่บ้างเขาขอชื่อย้ายไปนะ ไปลงที่โดนลงที่นี่เลยไม่รู้อันดับที่เท่าไหร่แล้วแ ต, แต่เดิมเนี่ยอันดับเจ็ดจำได้เยอะอ่ะอันนี้แถมนะประเด็นที่พูดตรงนี้เนี่ยให้เห็นถึงการที่เรียกว่าถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วไม่มีทิศอื่นจริงๆไม่มีทางอื่นนะํามาทางนี้ทางเดียวบางคนอาจจะอยากอยากจะหาทางแยกออกไปนะ มันไม่มีทางให้แยกออกไปไมันมีทางเดียวเท่านั้นะมันบังคับบังคับเนี่ยมันบังคับโดยธรรมบังคับตามธรรมก็คุณลดกิเลสไปเรื่อยคุณลดกิเลสไปเรื่อยอะนะอ่าขมโติว่าคุณถือศีลห้าเอ้าคุณถือได้คุณศีลแปดศีลแปดคุณถือได้มันจะไปศีลเท่าไหร่อะมันก็ต้องไปศีลสิบศีลสิบคุณถือได้ดีขึมันก็ต้องไปศีลพระมันจะมีทางอื่นไปได้ยังไงอะ่ะ มันไม่มีทางอื่นมีเหรอพอถือศีลห้าเสร็จก็เอศีลแปดนี่อย่าเพิ่งเลยเอาเหลือศีลสามศีลห้าแล้วไปศีสลสามเหรอมันมันไม่มีอ่ะมันก็มีแต่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไ ป, ไ ป, ไปมันก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยตามธรรมของมันแล้วก็เป็นสัจจะด้วยเพราะนันเขาถึงมีสำนวนที่พูดอย่างงี้ว่าทุกคนเนี่ยในที่สุดก็ไปเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าไปเป็นพระพุทธเจ้าได้ เพียงแต่ไม่รู้กี่ชาติกี่กลับไม่ไม่รู้ว่ามันเมื่ อ, อไหร่เท่านั้นเนะี่ยใครที่อืดอาดหน่อยมันก็นานแต่ใครที่ที่ไม่ค่อยจะถอยไงปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยได้ดีได้ดีขึ้นไปเรื่อยเรืยเืื ย, ย, ยมันก็ไวก็บรรลุทำได้ไวนั่นะเหมือนเนี่ยอดีตของพระปุสาเถระเนี่ยเราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไวเลยแค่มาฟังทำครั้งเดียวเท่านั้นเองโอ้โห ประทับใจเลยขอบวชเลยนะกรปากด้วน่ะก็ได้รับอนุญาตได้บวชเมื่อได้บวชเป็นภิกษุแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้กรรมฐานนำมาประพฤติบำเพ็ญภาวนาอยู่เสมอเสมอสามารถทำฌานให้บังเกิดขึ้นด้วยวิปัสสนาซึ่งไม่ช้านานนักก็สำเร็จผล นะดูนะเนี่ยไม่ยากเลยสําหรับผู้ที่ท่านปฏิบัติมามากพอแล้วนะพอแค่มาทํากรรมฐานก็คืออะไรอะ่ะตั้งตะบะนะหรือว่ามาถือศีลหรือทําข้อปฏิบัติที่เหมาะสมกับกับภูมาทำที่ตัวเองเนี่ยกระทามาไว้แล้วเนี่ยนะมันก็พวะเลยมันไม่ยากไม่ลำบากอะไรแล้วก็จะทําได้ทันทีด้วยนะเพราะนั้นเนี่ย แล้วก็โดยใช้วิปัสสนาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยเข้าใจธรรมะเนี่ยได้ง่ายไม่ยากไม่ลำบากเพราะว่ามันมีแนวทางอยู่แล้วมันจะเข้าใจง่ายมากเลยฟังไปเนี่ยถ้าตั้งใจพิจารณามันเหมือนกับบัวที่พร้อมจะบานเนี่ยบัวที่พร้อมจะบานนะพอได้รับแสงอาทิตย์ปั๊บก็บานเลยทันทีเลย อันนี้น่าจะเป็นบุคคลประเภทนี้ซึ่งท่านก็บรรลุธรรมได้อย่างง่ายได้น่าได้อภิญญาหกนะอภิญญาหกก็มีอิทธิพิธีอิทธิพิธีนี่ก็หมายถึงว่ามีมีวิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสได้มีฤทธ์มีฤทธ์ที่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนเนี่ยต่อสู้เล่นงานกิเลสได้เพราะว่าอันนี้เนี่ย ท่านบนรรลุธรรมแบบของสายพุทธนะท่านสามารถบิปัสสนาจนเห็นแจ้งนะจนชัดเจนเรื่องของกิเลสอันหาอะไรต่างนะพอท่านบนรรลุปับ๊บอิทธิพิธีของท่านแสดงว่าโอ้โหท่านมีฤทธิ์มากเลยฤทธิ์ในการที่จะจัดการกิเลสไดนะห้หรือมีทิปพป์พอสดนะทิปพป์พอน์ก็คือมีหูทิพสนะ์สามารถที่จะหูทิพส์นี่หูที่ฟังเสียง เสียงธรรมดานี่ไม่ทิฟหรอกเพราะคนก็จะยินสุนัขมันก็จะยินไม่หูทิฟอะไรหรอกไอ้ฟังเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยหูทิฟนี่มันต้องฟังเสียงของกิเลสออกแยกแ ย, กกยะกิเลสได้โดยเฉพาะกิเลสเราเองนะเวลามันกระซิบเราอะ่ะเคยจะยินไหมเขาเรียกว่าตันหามากระซิบกิเลสมากระซิ บ, เ, บเนี่ยเนี่ยมันส่งเสียงมาละ ทันทีเลยมันแค่กระซิบเบาๆแะน่ะนันนันน่ะอันนี้มันกิเลสมันมากระซิบบอกว่าวันนี้ส้มตำอร่อยนะมากระซิบเนี่ยฝีมือแม่อะไรอย่าแม่บุญมีโอ้วันนี้ส้มตำอร่อยนะกิเลสมันมากระซิบคุณมีหูทิพย์ทันทีเลยคุณทันทีเลยนน่ันน่มาแล้วมากระซิบแล้วนี่มันกิเลสมันกำลังจะมาหลอกเรานี่เนี่ยมีหูทิพย์แบบนี้นหรือว่าสาม มีเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณ น, นี่คือทั่วทั่วไปเขาก็แปลว่ารู้ใจคนอื่นรู้จิตคนอื่นว่าจิตคนอื่นเนี่ยนึกยังไงคิดยังไงอ่านะมีเจโตปริยญาณ น, นะเที่ยวไปรู้จิตของคนอื่นเขาแต่จริงแล้วไม่ใช่หรอกรู้จิตคนอื่นนะ่ะบางทีเราเองบางทีก็เดาคนอื่นได้เหมือนกันน่ะใช่ไหมอันนั้นอันนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่เก่งหรอกเก่งนี่มันต้องรู้จิตตัวเอง จับวาระจิตของตัวเองได้จับอารมณ์จิตของตัวเองได้ตอนนี้ไปยังไงนะเกิดอุทจฉาฟุ้งซ่านหรือเปล่าเกิดความสงสัยอะไรหรือเปล่าวิจิจฉาหรือเปล่าอ่านะเกิดความรังเลอะไรไหมหรือว่าตอนนี้จิตมันมันเอื่อยเอืยมันเฉยเฉยนะกิเลสกิเลสเหมือนกันเอื่อยเอยเฉยเก็กิเลสเราก็เออจับได้อย่างเงี้ยเนี่ยมีเจโตป ร, ริยญานสามารถที่จะมี มีจิตที่มีพลังในการที่จะจับจิตของเราเนี่ยได้ไวนะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จิตคนอื่นได้ด้วยนะอั น, นเนี้ยเนี่ยมีเจโตปริยญาณแล้วก็สี่มีปุเพนิวาสานุสติญาณทัวๆไปเขาก็บอกว่าระลึกชาติได้นะแต่ถ้าเป็นของพุทธเนี่ยคำว่าระลึกชาติได้ก็หมายถึงว่าโอ้โห กิเลสปัจจุบันนี้เราก็จับได้ทันแล้วนะระลึกได้ทันทีเลยเฮ้ยนี่มันขึ้นมาแล้วจับได้ทันทีแล้วยังระลึกย้อนต่อไปอีกก็ได้ว่าโอ้โหไอตัวเนี้ยมันเคยเล่นเล่นงานเรามากี่ครั้งแล้วเมื่ออาทิตก่อนมันก็เล่นงานเรานะเมื่อเดือนที่แล้วมันก็เล่นงานเรานะเมื่อปีที่แล้วนี่ระลึกชาติอย่างเงี้ยระลึกไปได้เรื่อยๆรู้จนเห็นรากเง่าของกิเลสหรือว่าโอ้โหนี่ พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของกิเลสมันมาจากอะไรเนี่ยมันทําให้เรานี่ถึงได้มามันมีกิเลสปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ได้นี่นี่นี่คืออย่างพุทธมีมีปุปเพนิวาสตาุสติญาณอย่างของพุทธนี่คือระลึกรากเงาของกิเลสได้เลยเพราะพอเราระลึกถึงรากเงาของกิเลสได้เราถึงคุณลากถอนโคลทิ้งได้คุณถึงจะหมดกิเลสได้ใช่ไหมอ่า เพราะฉะนั้นคนที่จะระลึกอย่างนี้ได้แสดงว่าต้องรู้ลากเ ง, งากิเลสแล้วก็ถอนมาได้แล้วอันนี้พูดย้อนกลับมานะว่าคนที่พิเคยถอนกิเลสลากเง้าอย่างนี้ได้เนี่ยแหละถึงได้ระลึกย้อนถอยไปรู้ลากเ ง, งาว่ามันอยู่ตรงไหนมันมีมาเมื่อไหร่กี่กี่กี่ชาติมาแล้วกี่ร้อยชาติกี่พันชา ต, ชาติก็แล้วแต่ความเก่งว่าจะระลึกย้อนไปได้ถึงขนาดไหน นะัไม่ต้องเอาอย่างเขาว่าต้องไประ ล, ลึกชาติว่าโอ้โหเราเกิดในอะไรนะเมื่อชาติโน้นเราไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีเมื่อชาติโน้นเราไปเกิดเป็นลูกข้ารืหาบดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั้นเอาเถอะไม่ต้องไปนึกอะไรมากเอาเราลึกกิเลสดีกว่านะตัวที่5ที่พระจักรสุนะที่พระจักรขุคือตาทิพย์ ตาทิพย์อย่างของพูดก็นั่นแหละไม่ใช่ไปอะไรอ่ะมองทะลุทะลุคนสมมุติว่าคนนี่นะมองทะลุไปเห็นกระดูกเลยเห็นกระดูกเห็นตับใจไส้พุงโอ้โหตาเอ็กซเรย์แบบมองทะลุหรือใครไปยืนหลังผนังเียหลังผนังอิดหลังหลังผนังไม้นี่เรามีตาทิพย์มองทะลุรู้เลยว่าใครยืนอยู่ข้างหลังหลังผนังนี่แล้นั้นมัน มันไม่ใช่ครัไม่ใช่แบบของพุทธนียนะของพุทธนี่คือตาทะลุที่จะแหมกําแพงกิเลสมากกั้นคุณอย่างนี้นะคุณมองทะลุอุปโภคเลยว่าโอ้โหนี่กิเลสมันมาร่วมประชุมมาประชุมสังสรรค์กันจนกระทั่งเป็นกําแพงกิเลสเป็นภูเขากิเลสหนาขนาดนี้แต่เรายังแหมสามารถมองได้ชัดเจนเลยกิเลสตัวไหนมั่งนี่กิเลสตัวไหนมั่งนี่มันมา น่าจะมาเล่นงานเราหรือว่าเราจะจัดการมันยังไงได้เรารู้หมดเลยเห็นเลยเห็นเลยเห็นกิเลสได้ชัดเจนนะบางทีบางคนมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ใช้วาทะนะใช้วิธีการอะไรต่างๆจะมาล่อมาหลอกเราไม่ได้ลออ ส, สายหูสายตาเราไม่ได้อะเพราะเรามีตาทิพย์มีหูทิพย์เพราะฉะนั้นหลอกเราไม่สำเร็จกิเลสทุกวันนี้นี่โอ้โหแปลกแปกใหม่ๆเลยนะ บางทีเดี๋ยวนี้ก็อะไรนะโทรศัพท์มือถือโอ้โหแปลกแป ก, แป ก, แปกใหม่ๆขึ้นเรื่อยนะจนเดี๋ยวนี้ดูสเิเด็กนักเรียนอะไรแต่ละคนก็โอ้โหโคนละอันคนละอันเลยนะวิทยุไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยหลอกเราไม่ได้บางทีเราไม่มีความจําเป็นต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมันจะต้องไปโก้ไปอะไรอย่างเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองให้ทันมองกิเลสให้ออก ถ้าเรามองออกก็ไม่ไมเห็นมีความจาเป็นต้องใช้เราไม่ต้องใชนะ้ผู้ที่จะใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นนะอย่างนั้นก็เหมาะสมแล้วที่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปใช้ในงานการใช้ในการสื่อสารบางคนเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวเนี้ยที่ใช้อยู่เนี่ย ก, ก็จริงบางคนทำงานก็จริงนะแต่จริงๆแล use, ้วไม่จำเป็นต้องใช้ก็ยังได้เลยบางคนทำ ง, งานแต่ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้ บางที่โทรไปมีอะไรกินข้าวอย่างเดี๋ยวไปดูหนังกันไหมอะไรมันเรื่องอื่นนะบางทีชัเยอะเลยงานเนี่ยกระจิ๋นเดียวบางทีไม่ต้องโทรก็ได้นะบางทีก็ฝากบอกกันหรืออะไรกันก็ยังได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เดินก็ไม่ค่อยเป็นนะนั่งอยู่แล้วก็กดปุ่มลูกเดีย ว, วก็ติดต่อเนี่ยอย่างเงี้ยนเนี่ยามาหลอกเราไม่ได้ นะ้เรามีหูทิพตาทิพที่สามารถแยกแยะได้นะหรือบางทีก็เป็นขนมอะไรแปล ก, ป ก, ปกใหม่ๆนะที่จะมาหลอกเราเราเห็นแล้วเนี่ยถ้าถ้าใครนี่ไม่มีตาทิพก็เห็นแล้วโอ้โหน่ากินน่ากินนะเดี๋ยวคุณก็เสียดอีกแต่ถ้าคุณมีตาทิพคุณก็อ๋อมาม า, มาใหม่อีกแล้วแต่จริงๆก็ไอ้แป้งไอ้น้ําตาลไอ้อะไรเท่านั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้ จะวิเศษวิโสอะไรบางทีกินไปก็ทํามามีสารปนเปื้อนซะอีกนะบางทีอะ่ะไม่ค่อยจะสะอาดไม่ค่อยที่จะอะไรไล่สารพิษอะไรด้วยโอ้ไม่น่ากินเลยเนี่ยถ้าคุณมีตาทิพย์คุณก็แยกแยะพวกนี้ได้แล้วคุณก็ไม่เอาหรอกแม่แม่รูปโฉมโนมพันธ์มันจะสวยมาอย่างไงคุณก็ไม่หลงมันหรอกมาหลอ ก, ลอกเราไม่สําเร็จนะนี่คือตาทิพย์สุดท้ายก็คืออาสวัคยาญาณ นั่นเนี่ยอภิน ญ, ญาหกเนี่ยอันสุดท้ายนี่คืออาสวัคคยาญาณนะคือมีความสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงรู้เลยว่ากิเลส ข, ของตัวเองเนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่หกเนี่ยจะเป็นข้อยืนยันอาสวัคคยาญาณนะเป็นข้อยืนยันที่ให้เห็นเลยว่าผู้ที่จะมีฤทธิ์จริงๆเนี่ยมีมีอภิญญาเนี่ยหมายถึงว่ามีมีคุณวิเศษมี มีอะไรมีฤทธิ์อันอันยอดเยี่ยมอะไรพวกนี้นะสุดท้ายเห็นไหมฤทธิ์ที่สาคัญที่สุดฤทธิ์สุดท้ายที่จะคุมทั้งหมดก็คือต้องรู้นะว่ากิเลสตัวเองเนี่ยหมดแล้วทำไมอะทาไมอันนี้สำคัญเพราะบางคนเนี่ยนะโอ้โหเดาใจคนอื่นก็ได้บางทีก็แยกแยกแย ก, กิเลสอะไรต่ออะไรก็พอแยกได้นะแต่ ไม่ชัดเจนตัวเองะว่าตัวเองนี่หมดกิเลสแล้วยังยังคุมคุมเคือคืออยู่เลย <c oughs> เหมือนเมื่อเมื่อคืนนี้ก็เทศนาศพนะเรื่องของพระภาหิยะทารุจริยะที่เรียกว่าคุมคุมเคือคือสงสัยอยู่ว่าบรรลุธรรมหรือยังแล้วไม่ไม่แน่ใจเลยไม่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองบรรลุธ ร, รรมหรือยังต้องเที่ยวถามคนน้องคนนี้ว่าเอ๊อ ย, อย่างเ ง, ย อ, ย ง, เงยอย่างเงี้ยบรรลุธรรมหรือยัง ในที่สุดก็ไม่มีใครตอบได้จนต้องมาถามพระพุทธเจ้าพุทเจ้าถึงได้เอ่อถ้าสมมุติว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอะไรได้แล้วน ะ, น, ะนั่นแหละนั่นแหละถ้าชัดเจนอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ได้ก็บรรุษธรรมได้ท่านก็เลยเอาไปพิจนนารณาจกนกระทั่งท่านก็เลยชัดเจนตัวเองว่าบรรลุธรรมแล้ววันผู้บรรลุธรรมแล้วจะต้องมีอาสวัคคยาญาณ มันใครที่ยังไม่บรรลุนะก็จะไม่มีอาสวัคคยาญาณแต่มีเหมือนกันคนที่หลงหลงว่าตัวเองกิเลสหมดแล้วอันนั้นเป็นความหลงนะอันนั้นยังไม่มีอาสวัคคยาญาณคือไม่จะมีความรู้แจ้งจริงตัวเองคิดเอาเองไม่ใช่ญาณถ้าเป็นญาณเป็นญาณ น, นี่ไม่ใช่เป็นความคิดญาณ น, นี่ไม่ใช่ความคิด จริงจิตเรามันก็ต้องมันก็ต้องพิจารณาแหละแต่ยานตัวนี้หมายถึงว่าเออต้องเป็นของจริงเลยสมมุติเราบอกว่าเราหมดกิเลสแล้วอย่างเงี้ยก็ของจริงอนะ่ะหมดจริงไหมละ่ะใครมาด่าเราใครมาแกล้งเราอะไรเราเนี่ยเรายังอัดกัดเครื่องไม่พอใจถือสาอะไรพวกนี้อยู่หรือเปล่าแม้เบาๆแผ่วๆแม้เล็กๆน้อยๆคุณจับได้จริงไหมว่าตัวเองเนี่ยไม่มีแล้วความโกรธเกลียดอารมณ์พวกนั้น นะหมดจริงๆอันเนี้ยต้องรู้จักของจริงเลยไม่ใช่มานั่งคิดเอาว่าเฮ้ยเราหมดแล้วอย่างเงี้ยเราไม่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรแล้วอันนั้นมันเดามันยาอันนี้ต้องต้องรู้จากภัสษะต้องมีภัรษะพรรษาเนี่ยพิสูจน์ผู้นั้นเลยว่าหมดจริงๆนะไม่ไม่มีกิเลสอีกแล้ว ยังอ่านไปไม่ถึงหน้าเลยทั้งหมดมีสี่หน้ า, าก็สรุป น, นท่านก็บรุธรรมนั่นก็เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งก็แล้วก็มีเนี่ยคำว่าถ้าได้อภิญญาหกเนี่ยก็หมายความว่าบรุธรรมแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์นะถ้ามีมีอิมีอภิญญ า, าหก มีเนวิโ hmm. ชเรียกว่าวิชาสามบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปตาตยานแล้ออสวรคยาญานเนี่ยหรือใครบรรลุอันเนี้ยบรรลุสามอย่างนี้ก็ถือว่าบรรลุธรรม <c oughs> เนื้อหาจริงๆของของเรื่องเนี้ยของพระปุษาเถระเนี่นะที่อยากจะให้เราฟังเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องที่ท่าน บรรลุธรรมแล้วแล้วท่านก็พยากรณ์ไปในอนาคตว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดยังไงบ้างเพราะว่าท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็มีเขาเรียกว่าอนาคตัญสยานนะคือคือมีคุณวิเศษหรือมียานที่จะสามารถอย่างรู้อนาคตว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะมีผู้มาถามนะเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งมีฤาษีชื่อว่า ปันทราสะได้แวะมาเยี่ยมสนทนาธรรมกับพระปุษฏะเถระฤสีพบเห็นภิกษุจำนวนมากเป็นที่น่าเรื่อมใสสมบูรณ์ด้วยศีลและข้อปฏิบัติมีตนอันอบรมแล้ว ส, สำรวมอินทรีย์ดีแล้วสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมกายสำรวมใจไว้ดีมีใจยินดีอยู่ในธรรมฤสีจึงได้ถามพระเถระว่า ในอนาคตการภิกษุทั้งหลายในาศาสนานี้จะมีความพอใจอย่างไรหนอจะมีความประสงค์อย่างไรหนอช่วยบอกการภายหน้าให้แก่ผมได้รู้ด้วยเถิดคือปรากฏว่าเนี่ยผู้ยังไว่ามีฤาษีเนี่ยนักบวชเนี่ยนะมาถามมาถามท่านก็เลยพระพุทธจึงตอบไปด้วยอนาคตังสยานของตน อนาคะเนี่ยอาณาคตังนี่นะก็คืออนาคตนั่นเองนะแล้วก็ผสมกับเนี่ยมียานเข้าไปด้วยเนี่ยอนณาคตังสายานยานก็คือความรู้ความรู้ที่ไม่ใช่เป็นภาษาพูดเป็นความรู้ที่รู้จากความจริงนะรู้โดยที่อะไรอะ แบบแบบตัดสรู้อ่ะไม่ใช่รู้แบบแบบได้ยินได้ฟังมาก็รู้อ่ะไปอ่านหนังสือก็รู้แต่มันไม่ใช่รู้จากสภาวะของเราจริงๆที่เรามีเราเป็นต่อเมื่อเรารู้โดยที่เรียกว่าเรามีเราเป็นอย่างเช่นเรามีกิเลสเกิดขึ้นเราจับกิเลสได้จับกิเลสได้เสร็จแล้วเราก็วิปัสสนานลดละจางคายล้างมันไปได้ รู้อารมณ์รู้อาการรู้อะไรอย่างต่างพวกนี้จนกระทั่งลดกิเลสทิ้งไปได้จริงๆอันนี้เป็นญาณเป็นความรู้จากจากการปฏิบัติจากผลที่เราเนี่ยสามารถทําได้จริงๆอันนี้ถึงจะเรียกว่าญาณ น, นะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ญาณเนี่ยถ้าเราไปเปิดเด็ก ไ, ไปเปิดพะจะนานุกรมอะไรพวกนี้ ก็เขาแปลงง่ายๆก็คือคือความรู้นะก็ก็ไปเข้าใจว่าอะไรอะไรก็ความรู้แต่ไม่ใช่พระุทธเจ้าถึงได้ตัดว่ายานอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่นั่นออปัญญาอยู่ที่นั่นหมายถึงว่าความรู้กับกับความเป็นจริงที่เราจะรู้แจ้งเนี่ยนะแทงตลอดทะลุได้จริงเนี่ยปัญญาเนี่ยสติปัญญาเนี่ยต้องอยู่คู่กับยาน ยานนั่นถึงจะเป็นยานอย่างของพุทธถึงจะเป็นยานที่ที่ถูกต้องจริงๆที่เราถึงจะเรียกว่ายานแต่ตอนนี้ไม่ใช่ยานธรรมดาแล้วนั่นะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเราได้แล้วเราก็รู้แค่เราแต่คราวนี้เป็นอนาคตังสยานคือยานที่รู้ไปล่วงหน้ารู้ไปในอนาคตว่าภายนะภาคหน้าเนี่ยภิกษุทั้งหลายจะเป็นยังไงอันนี้ลือสีนะ น, นี้ท่านก็ตอบดูก่อนท่านปันทระสะเทือษีในการภายหน้าน้งภิกษุเป็นอันมากจะเป็นคนมักโกรธมักผูกโกรธไว้ลบหลู่คุณท่านหัวดื้อโอ้โอวดริษยามีวาทะแตกต่างกันจะเป็นผู้มีมานะในธรรมที่ยังไม่รู้ทั่วถึงคิดว่าตื้นในธรรมะที่ลึกซึ้ง เป็นคนเบาปัญญาไม่เคารพธรรมไม่มีความเคารพกันและกันแหมที่พูดมาไม่มีอะไรเหลือเลยนะเนี่ย <c oughs> แค่ตอบแค่นี้ก็ย่ำแย่แล้วนะแม่บางทียังนึกดึกเลย ค, คือคือแค่อ่านแค่ตรงเนี้ยโอ้โหเอกเกินไปหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็เนี่ยแหละท่านก็ถือว่าท่านก็ตอบตามยานของท่านที่ท่าน รู้ไปในอนาคตกูดูสิแค่เริ่มว่าภิกษุในอนาคตแต่ท่านไม่ได้บอกนะว่าอนาคตนี่เมื่อไหร่แต่ท่านบอกเนี่ยในภายภาคหน้านะซึ่งความหมายก็คือส่วนใหญ่ท่านไม่ได้พูดบางคนนะเพราะว่านี่พูดในลักษณะองค์รวมเพราะนั้นบอกว่าเนี่ยภิกษุเป็นอันมากจะมักโกรธมักผูกโกรธ ภิกษุที่ยังมักโกรธแล้วมักผูกโกรธเนี่ยต้องรู้แล้วว่าต่อให้ยุคของผู้ยุทธเจ้าเนี่ยมีไหมคุณว่ามีไหมภิกษุที่โกรธหรือว่าผูกโกรธก็มียุคผูุ้ทธเจ้านั้นก็มีแต่ไม่ใช่ส่วนมากเนี <c> ่ย <oughs> จะเป็นส่วนน้อยอจะเป็นบางรูปบางบางองค์อะไรอย่างนี้แต่เนี่ยเนี่ยที่ท่านาที่ท่านปุตสาเถหะพูดเนี่ย ท่านหมายถึงว่าส่วนมากในอนาคตเลยมันผู้ที่จะมักโกรธและมักผูกโกรธนี่ต้องรู้แล้วนะว่าเรื่องของโทรศันี่ยังเป็นเรื่องหยาบเป็นเรื่องที่โทเอ้ยโกรธก็รู้แล้วแล้วมันอร่อยไหะเวลาโกรธมันน่าโอ้โหสบายเหลือเกินเวลาโกรธใครแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเวลาโกรธใครแล้วโอ้โหมันดีจังเลยนะยิ่งโกรธยิ่งมันของเขามียิ่งเคี้ยวยิ่งมันใช่ไหม อนนี้โอ้โหยิ่งโกรธแล้วยิ่งมันดีนะสุขใจยังเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโกรธก็ส่วนใหญ่เป็นไงหน้าตาโอ้โหเขามักเขามักชอบพูดว่าคนคนที่โกรธเนี่ยเหมือนกยบอะไรเออเหมือนกับยักษ์เพราะฉะนั้นเออออใครโกรธนี่เคี่ยวงอกกันนะเคี่ยวงอกกันนะเขาบางจะแซวกันเขาบางจะว่ากันวัน จริงจงแล้วเนี่ยจะถึงขั้นเนี่ยโอ้โหถ้าจํานวนมากมากโกนหรือมากปูกโกนนี่หยาบนะหยาบหยาบมากๆเลยแล้วคุณฟังอยู่นะลบหลู่คุณท่านโอ้โหนี่ก็หยาบหัวดื้อโอ้หัวลิศยานี่หยาบทั้งนั้นเลยนะส่วนมีวาท่าแตกต่างกันนี่ก็เออคือไม่รู้แหละสำนักใครสำนักมันต่างคนก็ต่างพูดกันไปใครจะพูดยังไงก็พูดกันไปหรือบางทีสำนักเดียวกันครับ ต่างคนก็ต่างพูดพูดไปเหมือนกันหรอกอย่างเงี้ยเนี่ยมีวาทะคือมีคําพูดที่ที่ทิฏฐิหรือว่ า, าการปฏิบัติอะไรเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนี่ยจะมีมานะในธรรมที่ยังไม่รู้ทั่วถึงมีมานะนี่คือถือตัวถือตัวว่าฉันบวชนะฉันเป็นภิกษุนะฉันโกนหัวแล้วนะเนี่ย เป็นผู้มีมานะในธรรมที่ยังไม่รู้เท่าถึงทั้งๆที่จริงๆเนี่ยตัวเองยังปฏิบัติอะไรไม่ค่อยได้หรอแต่ก็มาอบรมมาสอนใครต่อใครเขาแล้วนะมรรคผลอะไรก็ไม่มีบางทีแค่ศีลห้ายังเอาไม่รอดเลยเนี่ยยิ่งเรามาเปรียบกับสังคมในยุคนี้เราจะเห็นเลยนี้ศีลห้า ย, ยังไปไม่รอดเลยแล้วไปพูดถึงศีลพระไปทำไมแต่จริงๆแล้วเป็นนักบวชนะ อ่เป็นภิกษุแต่ศีลห้าเนี่ยไปจับสิแล้วจริงไหมว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นโอ้โหไปจับเข้าโอ้จริงซะด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะไล่ไปเลยศีลข้อไล่อย่งแต่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3มข้อที่สข้อที่ห้าจริงไหมอ่าข้อที่1เนี่ยยังเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นอยู่จริงไหมยังเบียดเบียนอยู่จริงไมตัวเองอาจจะไม่ฆ่าเอง นะแต่ให้คนอื่นเขาฆ่าให้หรือเปล่าเนี่ยไปตรวจเลยแค่นี้ข้อสองเนี่ยเอาขโมยเนี่ยจริงหรือเปล่านะเราอาจจะไม่ขโมยเองเนี่ยแตให้ใครใครเขาเอามาให้หรือเปล่าโดยที่จริงๆแล้วเจ้าของหรือว่าคนอื่นเขาก็ยังไม่ยินดีไม่ยินยอมหรือว่าไม่รู้เลยเอามาแล้วได้มาแล้ว แม้แต่บางทีเงินบริจาคด้วยซ้ำไป <c oughs> จริงหรือเปล่าเงินบริจาคเอาไปใช้ถูกที่ถูกทิศถูกทางจริงไหมเอาไปใช้อะไรบำรุงบำาเดิรกิเลส ต, ตัวเองอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยนี่ก็เป็นเรื่องของการขโมยก็ได้เพียงแต่ขโมยแบบนี้เขเรียกว่าอะไรอะ่ะ อย่างเช่นเงินที่เขาบริจาคมาเขาบริจาคเพื่ออะไรใช่ไหมบางทีเพื่อให้มาอะไรอะ่ะสร้างสร้างวัตถุธรรมที่เป็นวัดวาอารามหรือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเอื้ออํานวยในการถือศีลปฏิบัติธรรมแต่บางทีเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้อย่างไงใช่ไหมถ้าเอาเงินนี้ ไปใช้ส่วนตัวเขาไม่ได้ให้ส่วนตัวบางทีก็ให้ส่วนรวมเสร็จแล้วยังไงแล้วก็เอาไปใช้ส่วนตัวชนิดที่เรียกว่าไม่ดีอีกด้วยเพอเผลอเนี่ยเอาไปใช้ในทางเนี่ยอบายมุกก็มีถ้าอย่างนี้ยิ่งยิ่งผิดศีลข้ออื่นเข้าไปอีกด้วยไม่ใช่แต่ข้อสองอันี้ข้อสามเนี่ยอาการนะเรื่องของผู้ชายผู้หญิง เอาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยนี้ตามวัดบาอารามเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็อยากเอาไปจับดูนะทั้งกระทงกระเทอยทั้งอะไรทออะไรก็ไปจับดูแล้วกันเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งมีบางคนก็บอกว่าโอโหบางวัดนี่ไม่ไหวเลย